พระเจ้านะับที่เราได้ตั้งใจจัดสรรเวลามานำสการพระเจ้าในบ่ายวันนี้เชื่อว่าพระเจ้าพอพระไทยเสียงเพลงที่เราได้ร้องไปทุกท้อยคําจากใจของเราสรนเสริญพระองค์ทุกท้อยคําจากความรู้สึกของเราพระเจ้าทอดพระเนตรลงมาพอพระไทยการนำสการของเราด้วยเสียงเพลงนะครับแน่นอนเมื่อเราเปิดปากของเราที่จะสันเสริญพระเจ้าตอนนี้เราเปิดใจของเราที่จะฟังพระศีลของพระเจ้าตอนนี้ก็พิจิกาโยนแล้วนะก็ ใกล้เส้นปีนะฮะเร็วนะครั๊บเดียวนะครับผมยังคิดถึงว่าโอ้โหเมื่อต้นปีแป๊บเดียวตอนนี้ถึงเทศกาลแป๊บเดียวถึงธันวาเดี๋ยวแป๊บเดียวก็บมกอาราแล้วหลังจากทุกช่วงของปลายปีต้นปีเราก็มักจะมีโอกาสจะทบทวนชีวิตจริงๆเราทบทวนได้ทุกช่วงนะฮะเดือนไหนก็ทบทวนได้แต่มักจะมีโอกาสครับว่าเปอลอายปีซะหน่อยทบทวนชีวิตซะหน่อยหนึ่งผมก็เลยคิดว่าในบ่านี้มีโอกาสที่ให้เราทบทวนหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าสร้างเรามา บ, บทเพลงนี้เดี๋ยวสักรครู่จะมีการตอบสนองผมชอบบทเพลงนี้ว่าหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไหร่อันนี้ก็จริงนะฮะ บ, บางคนก็สั้นมนก็ยาวแตกต่างกันเมื่อวานนี้ผมเพิ่งไปงานเลี้ยงฉลองขอของสมาชิกที่คิดจะจัอายุ80 นะก็บอกว่าโอ้โหอาเจนะเราเนี่ยหกสิบะเราอยาห่างกันตั้งี่สิบปีนะฮะถ้าเราหนังเหนียวเหมือนอาเจ้นะก็สามารถอยู่ได้อีก2ี่สิปีที่พระเจ้าจะมอบหมายงานให้เราทำนะบางทีไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่90้าิบอย่างเงี้ยยังโอเคอยู่เลยเร า, าห่างจากเขาอีกสาสิบปีแต่ไม่แน่บางครั้งเราก็เห็นว่าเด็กก็เสียชีวิตแล้วก็บางทีก็ วัยกลางคนก็เสียชีวิตปนจริงชีวิตหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าสร้างมาเนี่ยนะให้เรามาเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่ามีเหลือเวลาเท่าไรแต่ทุกครั้งก็จะทบทวนชีวิตว่าพระองค์เจ้าทุกปีเข้ามอจะคิดถึงว่า1ชีวิตที่พระเจ้าให้กับข้าพระองค์นั้นได้เป็นอย่างไรบ้างมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคิดว่าพระเยซูเจ้าเองเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างของหนึ่งชีวิตที่ที่มาเพราะเป็นพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์และพระองค์ก็มีหนึ่งชีวิตในโลกนี้จริงๆและพระองค์ก็เป็นคนที่ประสบควาามสํเร็จ ในการเป็นมนุษย์ในงานที่พระองค์ทรงมาทำนะฮะถ้าเรามีโอกาสจะดูหนึ่งชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้เราจะดูหลายหลคนนะฮะหนึ่งชีวิตของพระเยซูเจ้าเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็มีชื่อเกิดมาเราทุกคนก็มีชื่อผมก็ชื่ออาภิชาตนะฮะคนนั้นก็เฉื่อจันพุ้นสุขคนนี้มีทุกคนมีชื่อแต่พระเยซูเจ้าเกิดมาชื่อของพระองค์นั้นเป็นชื่อที่สําคัญมากนะครับในมัทธิวบทที่หนึ่งตอนนี้เราก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะฮะในมัทิบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบอ็ดบอกว เธอจะให้กำเนิดบุตรชายแล้วจงเรียกนามของท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขานี่คืองานของพระองค์พระองค์เกิดมาพระองค์ก็มีรับงานจากพระเจ้ามาทํางานและทํางานให้สําเร็จด้วยผมเชื่อเราทุกคนเกิดมาพระเจ้าให้เกิดมาไม่ใช่ด้วยความบังเอิญพระเจ้าให้สร้างหนึ่งชีวิตมาย่อมมีเป้าหมายให้เราแต่ละเฟสแต่ละช่วงของชีวิตอาจจะแตกต่างกันไปทุกช่วงขอพระเจ้าให้เราทํางานให้สําเร็จ นะครับในข้อที่23พระองค์ไม่เพียงแต่มีชื่อว่าเยซูนะฮะในข้อบทที่หนึ่งข้ 23, ในมัทธิวบทที่บอกว่านี่นะหญิงพระมารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมาโนเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราพระองค์ทําหน้าที่นี้จริงๆพระองค์เป็นพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์และพระองค์ก็ประสบความสาเร็จเพราะพระองค์รู้อยู่ว่าพระองค์มาทําอะไรในยอห์นบทที่สีข้อที่สาม พระเยซูตรัสว่าอาหารของเราคือการทําตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและทําให้งานของพระองค์สําเร็จคําว่าสําเร็จปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์หลายๆตอนและพระเยซูเจ้าก็ใช้คําว่าสําเร็จแต่ว่าสาเร็จนี้จะไม่ต้องเป็นการสําเร็จตามพระทัยของพระเจ้าไม่ได่สําเร็จตามความคิดของเราไม่ได้สําเร็จตามใจตัวเองแต่สําเร็จตามพระทัยของพระเจ้าและพระองค์เองตอนที่ใกล้ที่จะต้องตายนะฮะในยอม์ที่สิบเจ พระองค์ก็เป็นคนที่มีเวลารู้วาระและเวลาของพระองค์เสมอในยอห์นบทที่สิบเพูดอย่างนี้ว่าเมื่อพระเยซูตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็แง้มพระพักขึ้นดูฟ้าแล้วก็ตรัสว่าข้าแต่พระบิดาถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะต้องไปตายพระองค์รู้แอกซัคลรู้เวลาของพระองค์เสมอและรู้ว่าเกิดมาทําไมแล้วต้องทํางานให้นั้นให้สําเร็จ และในข้อที่สี่ยอบบทสิบเจข้อที่สี่พระองค์ได้พูดอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ทากิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เท่าทำนั้นสำเร็จแล้วนี่ยังไม่ได้ขึ้นตรึงอังเคนะแต่ว่าผมชอบประโยคนี้แล้วก็พยายามจะว่าถ้าอภิชาติสามารถอธิษฐานว่าอภิชาตถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะอภิชาต ทำกิจที่พระองค์ทรงใช้อภิชาติทำนั้นสำเร็จแล้วสุดใจก็สามารถพูดได้ว่าสุดใจถาวายพระเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะสุดใจทากิจที่พระองค์ทรงให้สุดใจทำนั้นสำเร็จแล้วพี่น้องครับชีวเราเกิดมาหนึ่งชีวิตเท่านั้นเองและชีวิตนั้นน่าควรจะประสบความสาเร็จและสาเร็จตามพระทัยของพระเจ้าและแน่นอนพระเยซูเจ้า ที่บนไม้กางเขนยอมไปที่19ข้อที่สาสเมื่อพระเยซูทรงรับเล่างอุ่นเปรี้ยวแล้วพระองค์จัดว่าสําเร็จแล้วและก้มพระเศียร ล, ลงสิ้นพระชนผมอ่านทุกครั้งผมจะเช่นชมพระเยซูกิตเจ้าตั้งแต่เกิดจนตายและเป็นขรรมจิามตายพระองค์ใช้คําว่าสําเร็จแล้วผมไม่ได้ถามพระเจ้าบอกพระองค์จะคัดแต่เป็นไปได้นะผมอยู่ห้องไอซอยู่ที่ไหนก็ตามขอให้คอนเชสสมรู้ว่าอยากจะพูดประโยคนี้ก่อนตายว่าสําเร็จแล้วแล้ว เลยอะไรเงี้ยขอพระเจ้าอยากจะพูดประโยคนี้จริงๆพูดตอนนี้ไม่ได้พูดก่อนล่วงหน้าก็ไม่ได้โอเคพูดได้เป็นช่วงๆนะฮะผมแต่ละงงานแต่ละชิ้นก็มีสําเร็จแล้วแน่นอนเป็นช่วงๆของชีวิตแต่ไม่อยากจะพูดประโยคนี้จริงๆพระองค์เจ้ขาข้ากิจที่พระองค์มอบมหมายอภิชาตทำอะสําเร็จแล้วพระองค์เป็นผู้ที่รู้ว่าพระองค์เกิดมาหนึ่งชีวิตเพื่ออะไรเปาโลก็เช่นกันเปาโลก็เรียนแบบพระเยซูคริสต์เจ้า เปาโลก็หนึ่งชีวิต ท, ที่พระองค์สร้างมาเขาก็แต่ก่อนไม่เป็นคริสเตียนก็ดื้อดึงนะเป็นเรียกว่าเป็นหัวหอกนะฮะของการต่อต้านคริสเตียนแต่เมื่อกลับใจแล้วเขารู้บทบาทของเขาว่าคืออะไรในกิจการบทที่เาข้อที่15หนะฮะพระเจ้าก็ใช้อนาเนียไปพยากรณ์บอกกับเปาโลเลยว่าคนนี้เป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้เขาจะนำนามของเราไปถึงบรรดาคนต่างชาติและบรรดากษัตริย์และไปถึงพวกอิสราเอล เราจะแสดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าไรเพื่อนามของเราและเปาโลก็ยอมรับงานนั้นและเปาโลก็ทำงานนั้นจนสำเร็จจนก่อนตายเขาเขียนจดหมายให้ทิโมธีลูกเลี้ยงที่รักของเขาในสองทิโมธีบทที่สี่ 4, ข้อที่6กเขาเขียนอย่างบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าถูกเทลงเหมือนหนังเครื่องเดิมบูชาแล้วเขากำลังจะต้องตาย และถึงเวลาผมจะขอและถึงเวลาที่ข้าพเจ้าเปาโลจะต้องจากไปข้อเจ็ดข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วนข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วตั้งแต่นี้ไปมงกฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าเปาโลซึ่งองค์พระเจ้าผู้เพีกษาที่ชอบธรรมจะประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นจนถึงกาลวันนันดา เปาโลรู้เวลาของเขาเปาโลรู้งานของเขาคืออะไรแล้วเขาก็บอกว่าและไม่ใช่กับเขาคนเดียวนะทุกคนที่ทําตามพระทัยของพระเจ้าจะรับมงกุฎจนถึงกาล ว, วันนั้นได้ชอบเกิดมาชีวิตเดียวหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าสร้างมามีคุณค่า แล้วเป็นหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าไถเราเออกจากความผิดบาปแล้วเราเป็นคริสเตียนเป็นสาวกของพระองค์เราเป็นหนึ่งชีวิตที่ไม่เหมือนคนข้างนอกเดินทั่วๆไปตามพารากอนตามสยามสแควร์ตามทัม่วๆไปที่เขาม่รู้จักพระเจ้าน่าเสียดายคนเหล่านั้นหนึ่งชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรเขายังไม่รู้เลยแต่เราต่างหากที่เป็นคริสเตียนที่รู้ว่าหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าไถเรามารีดี้มเรามาจากความมืดสู่ความสว่างหนึ่งชีวิตจะตงเป็นหนึ่งชีวิตที่ทําตามพระทัยของพระเจ้า เพื่อนวันนี้อยากจะมีโอกาสคิดถึงว่า success factor องค์ประกอบของการสําเร็จคืออะไรองค์ประกอบของการสําเร็จคือตามพระทยัยตามเวลาตามของประธานและตามวิธีการของพระเจ้า success น่ success factor ของชาวคริสเตียนในพระธรรมโยชวัวมีสอย่างคือตามพระทยัยตามของประธานตามเวลาและตามวิธีการของพระเจ้า เรามีโอกาสที่จะมาดูโยชูวาด้วยกันนะฮะเป็นเล่มที่วันนี้เราจะดูเร็วๆแต่ว่าเพื่อจะชี้ไปเน้น ว, ว่าโยชูวาเป็น1ชีวิตเหมือนกันเหมือนพระเยซูกิจเจ้าเหมือนเปาโลที่หนึ่งชีวิตของเขานั้นทำตามพระทัยของพระเจ้าโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่9พูดชัดเจนนะครับว่าหนึ่งชีวิตของเขานั้นเป็นไปตามพระทัยของพระเจ้าข้อที่หนึ่งเขียนว่าต่อมาหลังจากที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวสิ้นชีวิตแล้วพระยาเวตับโยชูว่า โมเสสพรบใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้วบัดนี้บัดนี้เจ้าและชนชาติทั้งหมดนี้จงลุกขึ้นข้ามแม่น้ําจอแดนไปยังดินแดนซึ่งเราจะยกให้พวกเขาพันธกิจชัดเจนพระเจ้าบอกว่างานคืออะไรเพระเาะฉะนั้นถ้างานคืออะไรถ้าเรารู้ว่าเป็นงานของพระเจ้าจะเป็นงานขายกว๋วยเตี๋ยวงานขายกว๋วยแขกก็ได้พระเจ้ามอบงานอะไรอาชีพอะไรให้เราทําจะเป็นนายธนาคารจะวิศวกรเป็นครูข้าราชการ งานอาชีพอะไรที่พระเจ้ามอบหมายให้เราเราทําสําเร็จแต่คนเราไม่จะมีงานอาชีพอย่างเดียวแล้วมีงานครอบครัวแล้วมีงานส่วนตัวแล้วยังมีงานขิ้นแจักรที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำหนึ่งคนหนึ่งชีวิตพระเจ้ามอบหมายหลายหลายบทบาทให้เราเหมือนกับโยชิวาพระเจ้ามอบหมายว่าโยชิวาเจ้ากับชนชาติทั้งหมดลุกขึ้นไปเยรไปคณะอันไปไหนครับ เราได้ยกให้พวกเจ้าละดังที่เราได้สัญญากับโมเสสแล้วพระเจ้าสัญญาอาบราฮัมว่าจะให้ชนชาตินั้นเขาได้ดินแดนได้ที่พักเป็นพงพันอิสอาบราฮัมตายแล้วยังไม่เห็นอิสอาคยาโคบโยเซฟตายแล้วก็ยังไม่เห็นยังไม่ เ, เป็นจริงเลยมาถึงโมเสสดูเป็นเป็นเราเริ่มเห็นเป็นลักษณะของชุมชนละมี ม, มีมีเผ่าละขึ้นมามาสําเร็จในยุ้ของโยชูวา พวกเขาได้เข้าไปในแผ่นดินคณาอันจริงจริงตามที่พระเจ้าสัญญาพี่น้องครับถ้าอะไรที่พระเจ้าสัญญาแล้วคือสิ่งนี้ตามพระทัยกล้ากล้าลุยกล้ากระทำเหมือนกับที่โยชัวกล้าที่จะลุยกล้าที่จะทำงานชิ้นนี้เพราะว่ามันเป็นการตามพระทัยก็คือตามพระสัญญาทิศทางถูกแล้วแม้มันจะหนักเท่าใดต้องเดินอีกแสนไกลก็จะไป จนสุดปลายแผ่นดินถ้าเรารู้บันทิดทางของพระเจ้ากกล้าเลยเถอะครับงานนั้นสําเร็จแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามการจะสําเร็จ success factor ตัวที่สองคือมันก็ต้องตามของประทานจากพระเจ้าด้วยพระเจ้าให้ของประทานมาประการแรกของประทานตามความสามารถทุกคนเกิดมาเนี่ยจะมีความสามารถพรสวรรค์ตามตัวมาแน่นอนยิ่งกว่านั้นพระเจ้าเพิ่มพรที่เป็นเอ่อของประทานให้กับเราอีกด้วย ของประธานความสามารถพระเจ้ามอบหมายให้ไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ดีทั้งนั้นผมจำได้ว่าที่กิด จ, จากไมตรีจิตเนี่ยมาอาสาโกผมเนี่ยนะคุณอาเนี่ยทำกับข้าวเก่งมากตอนเขาอายุเยอะแล้ว ก, ก็ก็จะทำไม่ค่อยไหวพวกเราก็คิดว่าโอ้แล้วใครจะมาทำต่ออาหารรสชาติแบบนี้ฝีมือแบบเนี่ยโหแย่เลยถ้าไม่มีใครมาเสริรสารต่อทรดิชนอของไมตรีจิตพระเจ้าเดี๋ยวก็ส่ง แม่ส้มมาแม่ส้มก็ทำกับข้าวอร่อยแต่ละเจเนอเรชั่นแต่ละรุ่นก็จะมีอาหารอร่อยพระเจ้าไม่เคยขาดฝีมือแม่ครัวให้กับเราเลยส0สิปีส0สิปีมานานไม่เคยขาดจะมีคนที่ทำกับข้าวเก่งๆที่จะป้อนให้เราเสมอเสมอพอแม่ของทนส้มเนี่ยนะส้มหนึ่งเนี่ยกำลังจะตายเราก็อธิษฐานพระองค์เจ้าค่ะและฝีมือแบบนี้หาที่ไหนดี พระเจ้าก็ส่งส้มอีกคนอีกส้มหนึ่งเนี่ยมาโอ้โหฟีเมอร์สุดยอดเลยของประทานทำเพอร์รับใช้พระเจ้าไม่แต่ของเล็กน้อยอยีกอาสิวอย่างเงี้ยนะที่คิดจจับ ง, งานเขาไม่มีอะไรมากเลยนะเช้าบันาทิตย์แกก็เอาแฟ้มนะไอชันนรีก็จะมีแฟ้มก็จะเรียงเป็นแฟ้มออกมาให้เรียบร้อยงานเขามีแค่นี้พอสรยวีรัสสัเสร็จเขาจะเก็บแฟ้มเข้าเข้าตู้อาทิตย์หนึ่งเาก็เอาแฟ้มออกมา แล้วก็เอาเข้าตู้แล้วก็ไปชมว่าสิวแหมทอนี่ดีจังเลยน่ารับใช้พระเจ้าอย่างนี้เขาบอกหนูทําได้แค่นี้แหละก็คือคางแฟมเก็บแฟมโอเคในคิดตจักรจะไม่นต้องทุกคนมีของประทานมีความสามารถที่พระเจ้าให้มาคนให้เจอเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ร่วมกันทําไม่ใช่คนหนึ่งคนใดทําแต่ร่วมกันทําโยชัวาพระเจ้าบอกว่าโยชัวเจ้าและชนชาตทั้งหมดลุกขึ้นไม่ใช่บางคนเท่านั้นเองความสามารถพระเจ้าให้อยู่แล้ว นะครับของประธานหรือของประธานที่สองที่พระเจ้าให้มาคือพอรที่พระเจ้าสถิตยอยู่ด้วย Success f a ต t o r ที่สำคัญคือพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยงานจะสาเร็จได้พระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยในข้อที่ห้าเียอย่างนี้ว่าไม่มีใครจะเยินหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะไม่ละเลย เราจะไม่ทอดทิ้งจงเข้มแข็งไล้กระหานมันพรที่สําคัญของพระทาที่สําคัญที่พระเจ้าให้กับเราติดตัวเสมอคือเราอยู่กับเจ้าเราอยู่กับเจ้าทุกวันคืนเราอยู่กับเจ้าทุกวันคืนไม่ละทิ้งและนี่คือ Succes แฟกเตอรที่พระเจ้าให้กับเราเราต้องตระหนักเสมอว่าแม้เราจะเก่งแค่ไหนแต่นั่นมาจากพระเจ้าพระเจ้าอยู่ด้วย นะพประประการที่สของประทานที่พระเจ้าให้มาก็คือพระวจนะของพระเจ้ า, จา Success Fa ฟกเตตัวนี้สําคัญมากพระเจ้าพูดอะไรข้อ7เลยว่าเธอจะสําเร็จต่อเมื่ออะไรครับข้อ7โยชวาบทที่หนึ่งข้อที่7เพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะทำตามทัม้งบัญลัติทั้งหมดซึ่งโมเสสพระรับใช้ของเราได้บัญชาวไว้แล้วอย่าหันไปทางจากธรรบัญญัติขวาหรือซ้ายแต่ตรงไปเชื่อฟังทําตามเพื่อเจ้าจะได้รับความสําเร็จ เขาบอกสำเร็จอยู่ในพระคัมภีร์แล้วบอกตรงๆเลยว่าชีวิตเราจะสําเร็จได้ต่อเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านอยู่เสมอกินพระคําของพระเจ้าอยู่เสมอเสมอทุกวันเฝ้าเดี๋ยวเอาจริงเอาจังใจตรองตรึกตรอ ง, รองพระเจ้าการันตี s ักซ์เฟกเตอร์หลายคนบอกว่าชีวิตเจไม่เห็นประสบความสำเร็จเลยบางครั้งเราไม่ค่อยใส่ใจพระคำของพระเจ้าพระเจ้าบอกโยชูวาชัดเจนว่าเราอยู่กับเจ้า ไม่ต้องกลัวเพียงแต่ทำตามธรรมบัญญัติสำเร็จข้อ8ก็เขาพูดอีกนะอยากให้หนังสือธรรมบัญญัติห่างจากปากของเจ้าเลยพูดบ่อยๆทบทวนบ่อยๆท่องบ่อยๆแม้จะเฉดไตตรองบ่อยๆจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ทำตามแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสาเร็จเห็นหมสักรสเร็จชัดๆ สองอสามสระเอรอไม่ติดคู่จอดจานอ่านชัดเจนมาก success factor องค์ประกอบที่เราเร็สคือพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยและพระเจ้าบอกว่าเราต้องเชื่อฟังพระองค์เราสั่งเจ้าให้กล้าหาญแล้วก็รับใช้ต่อไปแต่สองอย่างคือตามพระสัญญาตามของประทานได้ไม่พอ ต้องตามเวลาและวิธีการของพระเจ้าให้เรามีโอกาสที่จะดูโยชวาบทที่6ด้วยกันเอาล่ะโยชวก็เริ่มนำทีมจะไปตีเยริโคผมชอบประโยคนี้มากบทที่6ข้อที่หนึ่งเพราะเหตุ 6, พองพันอิสราเอลเมื่อเยริโคได้ยินนะก็ถูกปิดมิ ด, ม ด, ม ด, มดชิดไม่ให้คนเข้าออกโธพี่น้องครับอิสราเอลเนี่ยออกจากอียิปต์เนี่ยมันจะมีสร้างรถถังหรอจะมีปืนเหรอ อาวุธเยอะแยะขณะที่เยเรโคเนี่ยเาเป็นเป็นเมืองเป็นประเทศมาก่อนหน้าเขาตั้งเยอะแยะความแข็งแกร่งย่อมมีกำแพงเมืองมีแข็งแกร่งจะตายอิสราเอลเป็นพวกเร่ร่อน4ี่ปีอยู่ในถิ่นทุกกันดานพวกจะออกมาแล้วจะไปสู้รบจะไปชนะหรอดูเขามันเซนร์ไม่มีทางแล้วเร่ร่อนจะไปตีเมืองเยรรโคแต่พระเจ้าพูดในนี้บอกว่าข้อสองพระยาวเวตัเดเฉยวูว่าดูแน่ผมชอบภาษาไทยมาก นะเราได้มอบเมืองเยรรโคไว้ในมือของเจ้าแล้วภาษาอังกฤษไม่มีแล้วนะภาษาไทยมีคามําว่าแล้วมอบแล้วยังไม่ทันตีเลยยังไม่ทันตีเลยพระเจ้าบอกว่าเราได้มอบไว้ในมือของเจ้าแล้วนี่คือสัตว์แซกซ์เตอถ้าเป็นพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าบอกล่วงหน้าว่า s u c ว์ s ซแน่นอนแล้วพูดชัดเจนเราได้มอบเมืองเยรรโคไว้ในมือของเจ้าแล้วแต่เจ้าต้องทําตามเวลา และตามวิธีการของเราไม่ใช่จู่ๆก็คิดเองโอเคโอ้วิธีการเป็นยังไงบ้างล่ะอ่าเราก็ฟังตั้งแต่ราวีวรศึกษานะะโอเคทหารทั้งหลายนะเดินขบวนรอบเมืองหนึ่งครั้งนะแล้วก็หกวันก็หกครั้งแล้วก็วันที่เจ็ดนะเดินเจ็ดครั้งรวมกันสิบสามครั้งแล้วก็คิดสิบสามครั้งแล้วจะเปนตีได้ไงเออขมมทอมันเซนบอกว่าแล้วมันจะเปไ็นแล้วสิบามครั้ง เดินรวดเดียวไม่ได้เลยทั้งวันเดียวเดินรวดเดียว13าครั้งไปเลยได้ไหมไม่ได้ต้องตามขั้นตอนตามเวลาตามวิธีการของพระเจ้าจึงจะสักเซสและทีนยังบอกตามเวลาบอกว่าเมื่อวันที่เจ็ดนะพอเจ็ดครั้งแล้วนะ<ช>เมื่อปุโรหิตเป่าเขาแกะเป็นเสียงยาวแลวประชาชนก็ต้องร้องขึ้นมาต้องมีเวลาด้วยนะ ต้โหร้องก่อนก็ไม่ได้โหร้องทีหลังก็ไม่ได้ต้องเป๊ะเปะตามเวลาของพระเจ้าโอ้โหพระเจ้าก็มีการเตรียมตัวชาวอิสราเอลโยชูวาก็มีการบอกตามแต่ละคนต่างบทบาทนะบุรหิตทําหน้าที่บุรหิตนะักเตะเป่าเขาสัตว์นะทหารก็ทําหน้าที่ทหารเดินนะคนยอะแบกหีบก็แบกนะตามหน้าที่ตามบทบาทของตนเองถึงรอง้รอ ง, งก็ร้องพร้อมกันระวังนะใจเย็นๆนะถ้าเราคิดว่าอ๋อ แ่มันจะมันจะได้ยังไงโ อ, อ้โหรองแค่นี้เมืองมันมันจะพังเหรอ common sense ไม่ก็ t เลยแต่ในพระเจ้าการอาัญจันเกิดขึ้นได้เสมอพี่น้องครับ success factor หนึ่งตามพระสัญญาของพระเจ้าสองตามของประทานที่พระเจ้าประทานมาให้สามตามเวลาและตามวิธีการของพระองค์และจบจากตรงนี้เองชัดเจนมากว่าพวกเขาทำจริงปฏิบัติจริงในข้อที่12นะครับในที่สุดข้อที่15ในวันที่7 พวกเขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เดินขบวนรอบเมืองอย่างเคยเจ็ดครั้งเฉพาะวันเดียวเขาเดินขบวนรอบเมืองเจ็ดครั้งข้อ16ในครั้งที่เจเมื่อบริหิตเป่าตแตรโยชุวาบอกประชาชนว่าชงโหร้องขึ้นเถิดพระประยาเวทรงมอบเมือง น, นั้นให้กับท่านแล้ว และข้อ20แล้วประชาชนก็โห่ร้องและก็มีการเป่าตแตร์พอประชาชนได้ยินเสียงตแตรเขาก็โห่ร้องดังและกำแพงก็พังลงราบ Success Factor เชื่อในตามพระสัญญาตามของประธานตามเวลาตามวิธีการยาก่อนและยาหลังเชื่อฟังทุกขั้นตอน Success ไม่น่าเชื่อว่าชาวเร่ร่อนอย่างอิสราเอลจะสามารถตีเมืองเยเรโครที่เป็นกำแพงเมืองที่แข็งแกร่งได้พระเจ้าทำขนาดสัจจัรย์ย่อมได้อยู่ที่เราเชื่อในวิธีการของพระเจ้าหรือไม่และเชื่อฟังคําสั่งของพระองค์ร้อยเปอร์เซ็นตหรือไม่เราดูต่อไปว่าแต่ว่าพระเจ้าก็บอกว่าต้องทําลายทุกสิ่งนะอาคารก็โลบขึ้นมาจําเรื่องได้นะฮะอาคารก็ไปยกักยอกของก็ทําให้เฟรียเกิดขึ้น ก็ทำให้เกิดการล้มเหลวในการตีเมืองไอต่อไปไม่สําเร็จแต่เมื่อมีการจัดการเรื่องความแบบแล้วล้มได้ก็ต้องลุกลุกแล้วต้องคิดว่าพระเจ้าให้ทําต่อต้องลุยถ้าล้มแล้วลุกแล้วพระเจ้าบอกว่าไม่ต่อเปลี่ยนทิศเชื่อฟังพระเจ้าในทุกๆอย่างมารอบนี้พี่น้องเราสังเกตว่าการตีเมืองไอใช้คอมมอนเซนส์ใช้ยุทธวิธีธรรมดาธรรมดาแบ่งเป็นนี่นะตีกลางตีกลางคืนนะ ในขณะที่ตีเยรโคตีกลางวันแต่ตีเมืองไอตีกลางคืนก็แล้วแต่ยุทธวิธีของพระเจ้าอันนี้ผู้ชัดเจนและยุทธวิธีธรรมดา ร, ร ม, ดามากเลยใช้ของประทานที่พระเจ้าให้มา c o m m o น sense เราแบ่งเป็นสองกองนะกองนึงเนี่ยนะซื้ออยู่นะตรงใกล้ๆเมืองนะและอี ก, กองนึงเนี่ยเราจะไปตี เ, เมืองไอแล้วเราก็แกล้งแพ้นะเราก็จะหนีนะแล้วเมืองไอมันก็ต้องตามมานะเพอเขาตามออกมาพราะเจ้าก็ยึดเมืองเลยก็ยุทธวิธี การลาผมปกติธรรมดามากเลยมีแผนการพบางครั้งพระเจ้าใช้ common sense เป็นวิธีการของพระองค์แต่บางครั้งพระเจ้าใช้การอัศจรรย์เป็นวิธีการของพระองค์เราซึ่งมนุษย์ฟังของพระเจ้าพราะการอาธิษฐานจึงสําคัญมากการอาธิษฐานเราก็จะรู้ทิศทางรู้เวลาของพระเจ้าเสมอพันคิดจะจัดขาดการอาธิษฐานไม่ได้ใช้ common sense ตลอดไม่ได้ใช้เหตุผลตลอด่าไม่ได้ต้องใช้ประกอบแต่ต้องอธิษฐาน เพื่องอันติโอคจะส่งเปาโลออกไปเป็นมิชชันนารีเขาก็ลงบอกว่าทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนาะโอ้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งนํำข้าข้ารู้ว่าพระองค์มีพระประสงค์อะไรเพราะเขานมัสการพระเจ้าขาอธิษฐานด้วยกันผู้นําอธิษฐานด้วยกันแล้วรู้ว่าส่งเปาโลส่งบาราบัสไปเป็นมิชชันนารีส่งไปทําไมเปลืองจะตายโอ้ ส่งไปทำไมคนเก่งอย่างนี้อยู่ตรงเนี้ยดีแล้วเชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้น Success พี่น้องครับตรงนี้ผมอยากจะเน้นว่า Common s ซ n s ์มากแล้วก็ในที่สุดเมื่อเขาชนะตีมังไอได้เพราะเขาหนีไม่พ้นที่จอเตือตนตัวเองสร้างแท่นบูชาในบทที่ดข้อที่30สบทที่ดข้อที่ส0สิเมื่อตีมังไยเสร็จแล้วสำเร็จแล้วโยชวาได้สร้างแท่นบูชานมัสการขอบคุณพระเจ้า ช่วงปลายปีช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ดีของแตงส i v ิ n งเราต้องมาทบทวนว่าหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าให้มาเป็นยังไงมีอะไรต้องขอบคุณมีอะไรต้องสารภาพมีอะไรต้องสรรสเสริญมีอะไรต้องแก้ไขมีอะไรต้องปรับปรุงมีอะไรต้องวางแผนสู้กันต่อผมคิดว่าอยากเกิดมาเป็นน้ำก๊อกไหลทิ้ง เกิดมาแล้วน้ำก๊อกไหลต้องเอาถังรองไปทำบางสิ่งบางอย่างให้เป็นประโยชน์หนึ่งชีวิตที่พระเจ้าสร้างเรามามีคุณค่าไม่ใช่อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ยังมีคุณค่าแม่ผมช่วงปลายช่วงหลังๆเขาก็ป่วยแต่ตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะต้องอายุ75็ดแกอมปีท่านเป็นอมพรพลเล็กๆแล้วก็นอนเขาชอบพูดว่าภาษาจีนนะแม่บ่อเต้งเองอมรบ่อเต้งเองหมงว่า แม่นะ่ยไม่เป็นประโยชน์เลยดูสิล้วก็บอกแม่บอกแม่มาม่านะอธิษฐานเผื่อลูกมามา่าแม่ไม่ได้ในใจของแม่อธิษฐานอธิษฐานเผื่อคิดแต่จากไอ้ฐานในใจแม้แต่นอนบนเตียงเขาก็ยังรับใช้พระเจ้าได้ด้วยการไอ้ฐานนอนนะก็นนอนตลอดแล้วก็แล้วก็วกบอกหม่ามามามา่มาไอ้ฐานป่าทํางานได้ยังรับใช้ได้ แ, แน่นอนช่วงสุดท้ายไม่รู้เรื่องแล้วก็เจาะคอบ้างเจาะนู้นเจาะนี่บ้างก็โอเคมันก็ก็ก็ไปชีวิตหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าสร้างมามีคุณค่าอย่างแน่นอนเขาสร้างท่านบูชาขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็เตือนสติคนว่าต้องอ่านพระคัมภีร์ต่อไปนะข้อสาบสที่8ข้อสามหลังจากนั้นท่านจึงอ่านถ้อยคําในทั้งบัญญัติเป็นคําอวยพระนะคําแช่งสาบ แล้วก็มีการเตือนสติว่าเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าต่อไปหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าสร้างโยชูวามาจบลงในบทที่23านะครับเราดูเร็วๆเพื่อจะเห็นว่าโยชูวารับใช้พระเจ้า Success factor คือหนึ่งตามพระสัญญาสองตามของประทานสาตามเวลา 4. ตามพิธีการแล้วก็ Success บทที่23เขียนว่าต่อมาอีกนานเมื่อพระยาเวโปรดให้อิสราเอลพักสงบล Success แล้วซสแล้ว คณะอันตีได้แล้วส่วนหนึ่งตีได้แล้วสิบสองเผ่าแบ่งที่ดินกันเรียบร้อยแล้วงานประสบความสำเร็จโยชวานําทีมเข้าไปเรียบร้อยแล้วแบ่งดินแดนเรียบร้อยแล้วได้พักสงบแล้วได้ปลูกต้นอังุนแล้วได้ปลูกอินทผลัมแล้วในนี้เขียนบอกว่าโยชวามีอายุชาราลงมากโยชวาก็เรียกมรรดคนอิสราเอลมาเตืนสติบอกว่าข้อสพวกท่านได้เห็น ทุกสิ่งที่พระเยาเวของท่านทำเพื่อพวกท่านพระเจ้ารักอิสราเอลมากทำเพื่อพวกท่านแล้วอย่างไรล่ะเพราะเธอต้องรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดเชื่อฟังพระเจ้าต่อไปผมอยากจะนาให้เราคิดว่าหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าสร้างเรามานี่นะขอพูดอีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้เกิดโดยบังเอิญนะ ไม่ใช่พระเจ้าบริวังเอินปฏิสนธิแล้วก็เกิดมาเป็นคนหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าสร้างมาในสดุดี139บอกว่าพระเจ้าทักทอพระเจ้าสร้างสร้างเราขึ้นมาและในถ้ำกลางความปิดบาพระเจ้าก็ไถ่เราด้วยโลหิตของพระองค์ด้วยชีวิตของพระองค์เองผมชอบเพลงหนึ่งที่สมาชิกมณฑิจิตแต่งเขาว่าลมหายใจของพระองค์สิ้นพระชนเพื่อเรา และลมหายใจที่เราอยู่ตอนนี้ก็อยู่เพื่อพระองค์หนึ่งชีวิตที่พระเจ้าสร้างมาให้เราสำเร็จไม่่พระเยซูริตเจ้าก็ประสบความสำเร็จพระองค์เกิดมาเพื่อตายเดี๋ยวเดือนหน้าคริสต์มาสแล้วเราจะองวันเกิดของพระองค์พระองค์เกิดมาเพื่อตายสั c เซ s และเพื่อช่วยให้รอดพระองค์เป็นเครื่องมือความตายสั Success. เบลโลหนึ่งชีวิตเป็นด็อกเตอร์เก่งมากถ้าเขาเป็นปัจจุบันนี้เขาเป็นพีเชดีแน่นอนแต่เขาก็พลีชีวิตของเขาเพื่อพระเยซูเจา้าชีวิตเขาไม่สูญเปล่ามีมิชชันนารีหลายคนนะคนหนึ่งเนี่ยเขาเขียนจดหมายฉบับหนึ่งก่อนตายเพราะาตอนอยู่ในเมืองจีนเนี่ยเป็นกบฏบ็อกเซอร์แล้วก็ตอนนั้นอ่ะคนจีนก็จะเกลียดพวกฝรั่งมากเพราะเกลียดฝรั่งมากก็จะเหมาพวกมิชชันนารีด้วยคนคนนี้ คือตอนนั้นตายประมาณร้อยกว่าคนนะนะแล้วก็มีนหนึ่งในมชชนรีเขียนจดหมาย back to บ้านของเขาเป็นเขาเรียกเป็น last letter จดหมายฉบับสุดท้ายเขียนถึงบ้านเขาเขาบอกว่าคนอื่นจะบูว่าเขาอ่ะมาแล้วไรประโยชน์หนูเพิ่งจะมาเพิ่งจะเรียนภาษาจีนยังไม่ทันได้รับใช้ก็ต้องตายผมอ่านแล้วเศร้ามากว่าโอ้โหน่าเสียดายจังเลย หนึ่งชีวิตของเขายังไม่ทันประกาศข่าวประเสริฐกระความตั้งใจจะเป็นมิชชันนารียังไม่ทันอ้ปาปากเป็นประยานเลยเรียนภาษาจีนปีแรกตายแล้วแล้วอ้วโหหน่าน่าสูญเสียมากเลยนะแต่หนึ่งชีวิตพระเจ้ามองที่เจตนาของเขาว่าเขารับใช้พระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดสุดท้ายเขาก็ตายนะจบลงอีกคนหนึ่ง ศาสนาอาจารย์โฮเรนโฮเรนก็จดหมาย last letter ไปถึงบ้านเขาเหมือนกันเขาเขียนจดหมายบอกว่าเล่าเหมือนเล่าเหมือนก็เป็นคนใช้ของเขาที่บ้านทางที่อเมริกาเนี่ยบอกว่าไปบอกแม่ของโฮเรนโฮเรนจูเนียนะคือลูกเขาไปบอกแม่ของลูกเขานะว่าเมื่อความปรารถนาของพ่อครั้งสุดท้ายของชีวิตคือเมื่อลูกน้อยของฉันเนี่ยอายุ25ให้เขามาเมืองจีนเป็นมิชชันนารี ตัวเองจะตายแลนะโอ้อ่านแล้วนะาาสวุว่าทำไมคนเหล่านี้เป็นสาวกที่ออืติดตามพระเยซูเจ้าอย่างร้อยเปอร์เซนหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าให้มาเขาไม่เสียดายเขามอบให้พระเจ้าหมดพระเจ้าจะให้จากไปก็จากไปเขาก็พร้อมเพราะว่าหนึ่งชีวิตพระเจ้าสร้างมาย่อมมีเจตนาของพระองค์พระเยซูเป็นตัวอย่างของหนึ่งชีวิตเบลโรเป็นหนึ่งตัวอย่างของชีวิตและ โยชวูวาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งชีวิตมีคุณค่าพี่น้องที่ท่านนั่งอยู่ที่นี่โอกาสปลาย ป, ายปีเป็นโอกาสที่เราจะทบทวนว่าหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าสร้างมาเป็นอย่างไรหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไรวันนี้ทั้งร่างกายจิตใจขอมอบทั้งหมดไว้กับพระองค์ราคาร้องราคาคุยหรือราคาจริง เดี๋ยวเราตอบสนองอรู้เองเมื่อเชิอะไรที่ผมกล่าวถึงสักครู่นี้ราคาจริงไปเมืองจีนยังไม่ทันไลตายเสียละวันนี้ทั้งร่างกายจิตใจขอมอบทั้งหมดไว้กับพระองค์แบกกลางเคห์นมันไม่เคยง่ายได้มันคืองานยิ่งใหญ่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเกิดมาพระเจ้ามอบหมายงานยิ่งใหญ่แม้แต่งานขายก๋วยเตี๋ยวก็ยิ่งใหญ่งานอะไรก็ได้ที่เราตระหนักว่าพระเจ้ามอบให้เราคือยิ่งใหญ่นั้น ที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะเดือหนาวชีวิตไม่ง่ายหรอกชีวิตไม่ง่ายหรอกแต่สู้เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเราอยู่กับเจ้าเราอยู่กับเจ้าทุกวันคืนเราอยู่กับเจ้าทุกวันคืนเราอยู่กับเจ้าทุกวันคืนมันไม่ง่ายแต่พระเจ้าอยู่ด้วยด้วยได้พรุ่งนี้ร้อนหรือจะเด็อดหนาวทุกเรื่องราว ทุกเรื่องราวคือเรามีสตอรี่เป็นช่วงช่วงของชีวิตเรามีสตอรี่เล่าทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายพระเจ้าอยู่กับเราอยู่ข้างเราเพระเาะฉะนั้นมันต้องสักเซสสักเซสเพราะเป็นพระทัยพระเจ้าสักเซสเพราะเป็นของประทานมาจากพระเจ้าสักเซสเพราะเป็นเวลาของพระเจ้าสักเซสเพราะว่าเป็นวิธีการของพระเจ้าเพระเาะฉะนั้นลองรับบอกว่าบากบั่นทำด้วยใจสุดแรงกําลังเพราะความรักนําฉันให้ก้าวต่อเราทำด้วยความรัก ลืมที่เคยท้อตีมองไอเหรอแพ้ครั้งหนึ่งไม่เอาแล้วไม่โยชิวะตีมองไอพ่ายแพ้พลาดแล้วลุกขึ้นสู้ต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นโน้มตัวก้าวออกไปเพราะงานต้องตีคณะอานให้ได้โยชิวะไม่พ่ายไม่ท้อแท้แม้พลาดมาแล้วก็ตามเขาไปต่อท่านอ่านต่ อ, ต อ, ต อ, ตอเขาพาเรื่องกิเบโอจนจริ ง, รงๆในนั้นมีเรื่องราวที่เขาพลาดเป็นครั้งครงไป แต่พลาดได้ลุกขึ้นสู้ต่อพระพระเจ้าสัญญาคุณต้องเอาจริงพลาดไม่เป็นหเาลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านผลโน้มตัวก้าวออกไปจะรับใช้ด้วยใจทำตามพระองค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของเราพระเยซูสักเซสเปาโลสักเซส ยอชวสักเซในพระคัมภีร์มีหลายคนที่สักเซ s แต่ในพระคัมภีร์ก็มีหลายคนที่ล้มเหลวแซ m s ันล้มเหลวซาอู oul, ลล้มเหลวหนึ่งชีวิตเหมือนกันอยู่ที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าและส c c e s s ให้เราร่วมใจในฐานครับเราได้เปิดปากของเราได้สั่นเสิญพระเจ้าเราได้เปิดใจของเราในการฟังพระเจของพระเจ้า พระเจ้าท้าทายในระบายวันนี้เราไม่ได้เกิดมาด้วยความบังเอิญแล้วเราก็ไม่ได้รอดด้วยความบังเอิญแต่พระเจ้ามีเจตนาให้เรารับความรอดเป็นบุตรของพระองค์เพราะพระเจ้าจะสร้างหนึ่งชีวิตที่ธรรมดาธรรมดานั้นให้เป็นหนึ่งชีวิตที่มีความหมายและประสบความสาเร็จตามพระทยัยตามเวลาตามของประธาน ตามวิธีการของพระเจ้าและมันจะสําเร็จเราสงบใจสักครู่หนึ่งอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวมันจะตอบสนองด้วยบทเพลงหนึ่งชีวิตขอให้เพลงนี้เป็นคำอธิษฐานของเรา เป็นราคาจริงที่เราอยากจะกระบอกพระเจ้าไม่ใช่ราคาคุยแล้วก็ไม่ใช่แค่ราคาร้องเพลงแต่มันราคาหัวใจของเราที่จะให้หนึ่งชีวิตนั้นกับพระองค์